เรื่องพระยศกากันดกะบุตรสมัยนั้นท่านพระยศกากันดกะบุตรเที่ยวจาริกอยู่ในแคว้นวัดชี ไปถึงกรุงเวสาลีทราบว่าท่านพระยศกากันดกะบุตรพักอยู่ที่กูดาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นภิกษุวัชชีบุตรทั้งหลายชาวกรุงเวสาลีในวันอุโบสถนั้นใช้ถาดทองสำริดตักน้ำไว้จนเต็มท่ามกลางภิกษุสงฆ์ แล้วแนะนำพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงเวสาลีผู้ผ่านมาผ่านไปว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงถวายรูปิยะแก่สงหนึ่งกะหาปณะบ้างกึ่งกะหาปณะบ้างหนึ่งบาทบ้างหนึ่งมาศกบ้างสงมีธุระที่ต้องทาด้วยบริขาร เมื่อพวกภิกษุวัดชีบุตรกล่าวอย่างนี้ท่านพระยะสะกากันดกะบุตรจึงบอกพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงเวสาลีดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านอย่าถวายรูปิยะแก่สงหนึ่งกหาปณะบ้างกึ่งกหาปณะบ้างหนึ่งบาทบ้างหนึ่งมาศกบ้างทองและเงิน ไม่สมควรแก่พวกสมณะเชื้อสายสากยบุตรพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรไม่ยินดีทองและเงินไม่รับทองและเงินพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรทั้งหลายปล่อยวางแก้วมณีและทองปราศจากทองและเงินพวกอุบาศกอุบาสิกาชาวกรุงเวสาลีแม้อันท่านพระยศากากันกบุตร กล่าวเตือนอย่างนี้ก็ยังคืนถวายรูปียะแก่สงหนึ่งคาหาปณะบ้างกึ่งกาหาปณะบ้างหนึ่งบาทบ้างหนึ่งมาศบ้างอยู่นั่นเองเมื่อ<ส>ผ่าน claro, คืนนั้นไป<ส Write>พวกภิกษุวัดชีบุตรชาวกรุงเวสาลีได้แบ่งเงินนั้นตามจำนวนภิกษุทั้งหลายลำดับนั้น พวกภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเวสาลีได้กล่าวกับท่านพระยศากากันดกบุตรดังนี้ว่าท่านยศเงินจํานวนนี้เป็นส่วนแบ่งของท่านท่านพระยศากากันดกบุตรตอบว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีส่วนแบ่งเงินผมไม่ยินดีเงินครั้งนั้น ภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเวสาลีกล่าวว่าท่านทั้งหลายท่านพระยะสะกากนดกะบุตรรูปนี้ดาบริพาทพวกอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสทำให้เขาไม่มีศรัทธาเอาเถอะพวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแก่เธอ แล้วได้ลงปฏิสารณียกรรมแก่ท่านพระยศกากรดกรบุตร